บทภาชนี92พืชพันธุ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นพืชพันธุ์ตัดหรือใช้ให้ตัดทำลายหรือใช้ให้ทำลายต้มหรือใช้ให้ต้มต้องอบัติาจิตตีพืชพันธุภิกษุไม่แน่ใจตัดหรือใช้ให้ตัดทำลายหรือใช้ให้ทำลายต้มหรือใช้ให้ต้มต้องอบัติทุกกฎพืชพันธุภิกษุสาคัญว่าไม่ใช่พืชพันธุตัดหรือใช้ให้ตัดทาลายหรือใช้ให้ทาลาย ต้มหรือใช้ให้ต้มไม่ต้องอบัตไม่ใช่พืชพันธุ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นพืชพันธุ์ต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่พืชพันธุ์ภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่พืชพันธุ์ภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่พืชพันธุ์ไม่ต้องอบัต